แย่ยโยมมาจากไหนกันเยอะแยะไม่เคยเห็นเยอะเลยเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างแล้วผมอยากใหรู้ว่าในร่าปผมิบัติส่นนนวนใหญ่ผมก็ผมมักจะติดเส้น <c oughs> ใช่ใช่ให้รู้ทันนะรู้ทันว่าเพ่ง <c oughs> คือก่อนจะเพ่งเนี่ยจิตใจเราทำงานไปทั้งหลายขั้นตอนนะแล้วแรกเลยเราคิดถึงการปฏิบัติ เราอยากจะปฏิบัติพอเราอยากปฏิบัติเราคิดว่าต้องไปทำอะไรสักอย่างนะสิ่งที่ทำก็คือเที่ยวไปหาหานะหาว่าจะเพ่งอะไรดีว่าจะดูอะไรดีพอหาเสร็จแล้วไปเจออะไรเข้านะก็นั่งเพ่งอันนั้นไว้เพราะั้นมันมีสเต็ปของมันก่อนที่จะเกิดการเพ่งนะมันเริ่มตั้งแต่คิดถึงเรื่องปฏิบัติอยากจะปฏิบัติเลยจงใจปฏิบัติ ถ้าเรารู้ทันแม้แต่เราอยากปฏิบัตินะั้นก็ไม่ไม่มีขั้นตอนอื่นตามมาแต่ทีนี้จิตใจของเราเคยชินซะแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊เพ่งปั๊บเลยเมืนะ่อเพ่งแล้วเนี่ยใจเรารู้แล้วว่าไม่ถูกแต่เดิมเราคิดว่าเพ่งอะดีเราก็จะขยันเพ่งนี่พอเรารู้ว่าการเพ่งเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดปัญญานะเราก็จะไม่ชอบเพ่งพาไม่ชอบเพ่งก็อยากจะเลิกเพ่งอีกละ มีความอยากอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นให้คุณรู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางใจมันอยากเลือกเพ่งเงั้นพอมันเพ่งปุ๊บให้รู้ทันใจตัวเองใจตัวเองไม่อยากเพ่งแล้อยากแก้การที่อยากแก้เนี่ยเป็นการตรุงแต่งเป็นการทํางานซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกให้รู้เฉยๆรู้อย่างเป็นกลางถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางเดี๋ยวการเพ่งนั้นก็ไม่เที่ยงนะสลายตัวไป แต่ถ้าอยากเลิกเพ่องอย่าไม่เลิกยิ่งดิ้นรนนะยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกมีอะไรไหม้งงคือที่แรกเลยทำใจสบายๆก่อนทำใจให้สบายแล้วก็คอยรู้สึกเนาะอยากคิดเรื่องปฏิบัติก็ได้ให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆ <S <S <นะ S 1> อย่างความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลย อย่างความรู้สึกวันนี้กับเมื่อวานก็ไม่เหมือนกันตรงนี้ดูออกไหมความรู้สึกตอนตื่นนอนกับขณะนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนนั่งรถมาวัดแั่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนถึงวัดใหม่ๆแั่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเะนั้นให้เราคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานไปเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นแค่สิทที่ผ่านมาผ่านไป เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันงั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใจเราเป็นแค่ไปรู้เข้าไม่ต้องพยายามไปหาผู้รู้นะให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือใครจะทำด้วยวิธีของสมถะก็ได้นะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือหายใจเข้าหายใจออกไปสังเกตไหมลมหายใจนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นคนรู้คนดูหรือบางคนรู้อิริยาบถสี่รูปยืนเดินนั่งนอนเห็นไหมรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนเนี่ยเป็นของที่ใจไปรู้เข้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันวิธีมีเยอะแยะนะมีเยอะแยะ โยมเคยฝึกไหมปฏิบัติมาจากไหนเคยปฏิบัติแนวไหนล่ะ mm hmm. อืมอปล่อยก็ดีแล้วปล่อยแล้วก็อย่าไปหยิบมาอีกให้รู้ทันใจของเราใจเราชอบไปหยิบเฉวยอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็รู้ทันมันงั้นที่โยมรู้สึกอยู่มันดีแล้วล่ะ ใจมันจะโปร่งมันเบามันโล่งนะรู้สึกปเปนะ็นอ่ั้นแหะดีแล้วรู้สึกเนืองๆ น, นะเนี่ยใจนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปแล้วทําไมใจถึงยังไหลไปคิดได้อีกอยังไหลไปได้อีกเพราะมันไม่ปล่อยวางจริงมันยังหิวอารมณ์มันยังอยากไปรู้เนี่ยมีแว บ, บอีกแล้วทราบไหมนะอย่าไปสังเกตมัน อะไรนะฝันกับคิดมนะันเหมือนกันฝันมันก็คคิดตอนหลับนะส่วนตอนเนี้ยนั่งคิดไปเรื่อยรู้สึกไหมใจมันนั่งคิดไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราคอยรู้ทันมันนะสังเกตไหมมันแอบหนีแวบแวบแวบเป็นช่วงๆเป็นจังหวะจังหวะดูออกไหมอย่างตอนเนี้หนีไปคิดละนะี่ฝันสิอ่า เนี่ยเผลอแล้วรู้สึกตัวไว้เห็นไหมถ้าใจของเรายังยังขาดสติได้อยู่นะไอ้ที่เราว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ปล่อยจริงหรอกนะมันแค่ว่าใจมันไม่ไปหยิบอารมณ์หยาบหยาขึ้นมาแต่ใจเนี่ยไปหยิบอารมณ์ที่ละเอียดละเอียดคือความคิดขึ้นมาเนี่ยนีไปคิดอีกแล้วสาราบไหมเนี่ยอยากพูดรู้ไหมเนี่ยอยากพูดรู้ป่ะ อยากพูดให้รู้ว่าอยากพูดนะอย่าอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนะให้รู้ทันความอยากของเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเรียนธรรมะเนี่ยไม่ต้องถามเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะคอยตามรู้ตามดูไปเช่นมันสงสัยฟังอาตมาพูดแล้วสงสัยรู้ว่ากาลังสงสัยอยู่นะฟังอาตมาพูดแล้วอยากพูดด้วยความอยากพูดเกิดขึ้นมีแรงดันในหนนะ้าอกเนี่ยมีแรงดันขึ้นมานะ าเรามีสติรู้ทันอีกมันอยากพูดแล้วอะไรเกิดขึ้นในใจนี่คอยรู้ทันอย่างตอนนี้ไม่รู้ทันนะมารอฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมลืมตัวเองลืมใจตัวเองให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยยิ่งดีคุณผู้ชายนี่รู้จักใจลอยไหมใจลอยบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่งที่จริงเราคนเราแต่ละคนนี่ใจลอยทั้งวันเลย แทบตลอดเวลาเลยหากคนที่มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาจริงๆนะหายากที่สุดใจของเราจะหลงหลงทั้งวันเวลาดูเราก็หลงไปดูลืมตัวเองอย่างเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขารู้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายมาคนนั้นชื่อนั้นมาอะไร น, นี่รู้แต่ขณะที่เที่ยวไปรู้ของภายนอกเราลืมกายลืมใจของตัวเองขณะที่ฟัง รู้เรื่องที่ฝังก็ลืมกายลืมใจของตัวเองขณะที่คิดรู้เรื่องที่คิดแล้วก็ลืมกายลืมใจของตัวเองงั้นวันหนึ่งมันหนึ่งเนี่ยจะหาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยากที่สุดเลยจิตมันจะหนีไปทางทวารทั้งหกหนีไปทางตาหนีไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอจะดูออกไหมมันหนีทางไหนเยอะที่สุดทางไหนนะอ๋อตอบถูกหนีทางใจนี่หนีทั้งวันเลย อย่างนั่งฟังอาตมาพูดสังเกตใจของเรานะทุกๆคนสังเกตไหมฟังอาตมาพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆพอจะสังเกตออกไหมถ้าใครสังเกตออกนการปฏิบัติจะง่ายๆแลคือเราเห็นสภาวะลเห็นกลไกการทํางานของจิตจริงๆนี้ยใจลอยไปแล้วจัไหมหนีแวบไป นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสําคัญที่สุดของการปฏิบัติก็คือความขาดสติเผลอไปใจลอยไปเผลอไปทางตาไปดูเผลอไปทางหูเผลอไปฟังเผลอไปทางใจนี่เผลอไปคิดขณะที่คิดรู้เรื่องที่คิดเวลาที่เรารู้เรื่องที่คิดนะเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเราหาคนที่รู้สึกกายรู้สึกใจจริงๆยากมากนี่ไปคิดทราบไหม งงไหมเนี่ยคนผู้หญิงเนี่ย <c oughs> ให้รู้ทันลงไปนะรู้ทันจิตใจของเราลงไปทีลัขณะทีลัขณะรู้ทันของจริงไม่ใช่คิดเอามีปัสนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามมีปัชนาไม่ใช่คิดเอาการคิดเอาไม่ได้ให้ความรู้ที่แท้จริง <c oughs> การคิดเอาให้จินตามายะปัญญาไปคิดคิดเอาได้ความคิด ไม่ใช่ความจริงนิพพสนาจริงๆเนี่ยต้องดูของจริงดูลงที่กายดูลงที่ใจแต่เรามักจะลืมกายลืมใจเพราะเราเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นใจใจเผลอไปทางทวารทั้งหกนี่หลวงปู่ดูลนท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกเผลอไปดูก็ลืมตัวเองเผลอไปฟังลืมตัวเองเผลอไปคิดนรู้เรื่องที่คิดแล้วก็ลืมตัวเองนี่ท่านเรียกส่งจิตออกนอก ในี่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมอัตมาบอกเรารู้ไหมมันเผลอไปมันลืมตัวเองคอจะดูออกไหมเนี่ยีหแบบนีแวบบแบบแแววบบไปเนี่ยไปละนะให้หัดรู้สภาวะรู้ของจริงเข้าไปไม่ใช่คิดเอาต้องรู้จริงๆรู้ลงที่กายของเราจริงๆรู้ลงที่ใจของเราจริงๆร่างกายนั่งอยู่รู้สึกถึงการนั่งของมัน เห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุหรือเป็นรูปธรรมมันหนึ่งนั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรานั่งเป็นวัตถุมันมาตั้งอยู่ตรงนี้เวลาเราเดินนะมันไม่ใช่เราเดินเห็นในร่างกายนี้มันเดินไปร่างกายนี้ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเดินทางจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวเห็นจิตมันเป็นสุขหรเห็นจิตมันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่เราสุขเราทุกเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นมาในวิปัสสนาเราจะคอยดูกันอย่างนี้คอยรู้กายคอยรู้ใจแล้วก็เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราให้คอยรู้สึกตัวนะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติคือต้องคอยรู้สึกตัวไว้อย่าลืมตัวเองการปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยท่านบอกว่าให้มีสติ รู้รูปนามหรือรู้กายรู้ใจของตัวเองเนืองเนืองทำไมเราต้องคอยมารู้กายรู้ใจตัวเองเราจะต้องคอยมาเรียนมาสังเกตลงที่กายที่ใจจนเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ความปล่อยวางก็เกิดเมื่อความปล่อยวางเกิดวิมุตต์ความหลุดพ้นก็เกิดอือเอาทีละข้อนะแต่หมาคิดลืม ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ารู้ตัวสภาวะจริงๆไม่จําเป็นต้องรู้ว่ารู้อะไรคําว่ารู้อะไรรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยความโกรธเนี่ยเป็นบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัติรู้ถึงความรู้สึกที่มันพุ่งขึ้นมามันพุ่งขึ้นมาเนี่ยแหมเลือดขึ้นหน้าเลยรู้สึงความรู้สึกเนี่ยเรียกว่ารู้สภาวะ เาะงั้นบางครั้งมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในใจเห็นใจมันไหวๆกระดุกกระดิกไม่รู้ว่าคืออะไรถามว่าดีไหมดีแล้วไม่ต้องไปใส่ชื่อให้มันแต่ถ้าเป็นอารมณ์หยาบๆความกโกรธอะไรอย่างนี้เรารู้จักชื่ออยู่แล้วพอ ม, มันเกิดขึ้นมานะใจมันก็ชอบภาคอ้าวกโกรธแล้วทีพิจารณ์ต่ออีกไม่ภาคเฉยๆนะกโกรธไม่ดีหาทางละซะสิน่ยนี่หลงตลอดเลย แต่ว่าบัญญัติก็เป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันจะบัญญัติขึ้นมาว่านี่ความโกรธก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าอย่าไปช่วยมันคิดมไม่ต้องไปช่วยคิดหรอกว่าไอ้ที่ไหวยิบยับขึ้นมานี่มันตัวอะไรให้รู้ว่าสภาวะบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปรู้เท่านี้พอละในหลวงเรานี่หลวงพ่อพุธเคยเล่าให้ตา ม, มาฟังในหลวงเคยถามพรกรรมฐานตอนนั้นพรกรรมฐานมาเยอะ ในหลวงบอกว่าผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยผมรู้หรือไม่รู้หลวงพ่อพุดก็ทูลถวายวิสัชนาท่านบอกรู้ที่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นอะรู้จริงๆเลยถ้ายังรู้อะไรเนี่ยนะยังรู้สมมุติบัญญัติอยู่นั้นการปฏิบัติพอเข้าถึงขั้นที่ละเอียดแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเคยอ่านธรรมจักไหม ทมาจากกับพวตนาสูตรพระโสดาบันเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเยอะพระโสดาบันรู้บอกว่ายังกินจิสมุทยะยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่รู้ว่าโลภเกิดหลงโกรดอะไรนี่เกิดนะรู้สภาวะบางสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเพราะนั้นะรู้อย่างช่ำชองละ ของเราพอรู้แล้วเราจะบัญญัติต่อคิดต่อพอรู้แล้วอ๋อนี่กโกรธนะแค่บรรยายแค่นี้ยังไม่พอโกรธนี่ไม่ดีนะต้องหาทางละนะนี่หลงตลอดนะอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดให้คอยรู้สึกไว้ออีกข้อหนึ่งอะไร เนี่ยอย่างตอนนี้นะเดี๋ยวโทษนะตอนที่โยมพูดเนี่ยโยมลืมตัวเองรู้สึกไหมะนะเออั้นต่อไปนี้ไม่ต้องถามต่อไปนี้คอยรู้สึกนะใจไหลไปแวบรู้แวบรู้เี่ยไหลอีกแวบแล้วอยากพูดด้วยรู้สึกไหมใจมันอยากพูดให้รู้ว่าอยากพูดนะเนี่ยอยากอีกแล้วทนไม่ได้รู้สึกไหมมันบีบคั้นรู้สึกไหมเห็นทุกข์ไหม เห็นท่านั้นพอละเห็นไหมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ดับไปทั้งสิ้นการปฏิบัติวิปัสนาธรรมเท่านี้แหละไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้นะดังนั้นคําถามทั้งหลายไม่มีประโยชน์ละเป็นส่วนเกินเพราะโยมเห็นละโยมเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปนังนั้นคําถามทั้งหลายเป็นส่วนเกินละจะทําให้คิดฟุ้งซ่านเปล่าๆไม่ต้องคิดละไม่ต้องถามเข้าใจไหมบางคนบอกหลวงพ่อวันนี้โหดมากเลยถามก็ไม่ให้ถาม โ อ, โอ้ถ้าถามแล้วอาตมาตอบสิ่งที่โยมได้กลับบ้านนะคือได้ความจํากลับบ้านไม่ใช่ความจริงนะแต่ถ้าโยมอยากพูดโยมอยากถามโยมเห็นพลังงานอันหนึ่งดันขึ้นมาในอกของเราเนี่นแล้วพลังงานอันนี้พอเรามีสติไปรู้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้ารู้อยู่อย่างเนี้ยกิเลสอื่นๆเกิดก็แบบเดียวกันนี้เองเกิดขึ้นที่เดียวกันนี้เองมันผุดขึ้นมาจากอกเรานี้เองจากอัตยวัตถุนะ นีไปคิดแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันนะนั่นหลงทางใจหมดคำถามแล้วเนาะไม่ต้องถามแนละ้วคำถามทั้งหลายเป็นส่วนเกินรู้รยังเข้าใจไหมส่วนเกินทั้งหมดเลยนะอ้าวคนอื่นเชิญถามคือเรียนธรรมะเนี่ยหน้าที่ของหลวงพ่อมีอันเดียวเองพาพวกเราให้ดูสภาวะของตัวเองออก ให้หัดดูสภาวะของตัวเองพอดูสภาวะของตัวเองเป็นแล้วต่อไปนี้มีหน้าที่ดูบ่อยๆดูบ่อยๆ ย, ยิ่งดูบ่อยวันหนึ่งปัญญามันแจม่มแจ้งขึ้นมาจะเห็นเนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราสกยาทิฏฐิมันก็ขาดสกยาทิฐิคือความเห็นผิดว่ากายใจรูปนามนี้เป็นตัวเราเนะีนะ่ยคุณผู้หญิงเนี่หลงอีกแล้วรู้ไหมนะรู้สึกตัวนะจิตมันหลงไปอีกแล้ว ลงไปในความคิดแต่การจะไม่ให้หลงไปไม่ได้บังคับไว้บังคับไว้ผิดอีกให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปบังคับมันนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะชอบบังคับมันบังคับกายบังคับใจตัวอย่างบังคับกายเช่นเคยเดินสบายๆก็เดินผิดปกติขึ้นมาเคยนั่งสบายๆก็นั่งผิดปกติขึ้นมาบังคับใจเช่นใจจะเคลื่อนไหวก็บังคับให้นิ่ง จิต ใ, ใจมีความโกรธจะบังคับให้หายโกรธนี่คิดแต่เรื่องบังคับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทุก์ให้รู้ทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปนามคือกายกับใจให้รู้ลูกเดียวไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปพยายามบังคับให้รู้ไม่ใช่ให้ละสิ่งที่ต้องละมีอันเดียวคือความอยากนอกนั้นรู้ไปรู้กายรู้ใจรู้เรื่อยรื่อยูอย้บ่อยๆ รู้จนเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาตัวสําคัญที่จะทําให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานนีไปคิดแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไว้นะอย่าบังคับมันรู้สึกไห ม, นะาา ม, ไหมว่าบังคับตัวเองนะสิ่งที่ผิดมีสองงานนะ การปฏิบัติที่ผิดมีสองอันนะหนึ่งหลงไปเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะเผลอในความคิดเผลอทั้งวันอันที่สองที่ผิดก็คือการบังคับตัวเองกดข่มตัวเองเผลอไปตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขัาลิการุโยกเป็นความสุดโต่งด้านที่หนึ่งกดข่มบังคับใจบังคับกายบังคับใจตัวเองเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานุโยกทําตัวเองให้ลําบาก ความสุดตรงสองข้างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าบรรชิตคือผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรเสพแต่สังเกตไหมว่าพวกเราอยู่เฉยๆเราก็หลงไปพราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เพ่งไว้จ้องไว้กําหนดไว้บังคับไว้เราทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเราไม่ได้ทําสิ่งที่ท่านบอกท่านบอกอะไรท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทยัยรู้ทุกข์คืออะไรคือรู้กายรู้ใจของตัวเองละอะไรละความอยาก ของเราแทนที่จะรู้ทุกข์ละความอยากเรามีความอยากที่จะละทุกข์เราไม่อยอมรู้ทุกข์นะเราจะละทุกข์เราไม่เคยทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกงั้นเราทาการปฏิบัติของเราแล้วจะล้มลุกคลุกคลานตลอดเลยเพราะเราทำตามใจตัวเองเราไม่ได้ทาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจลงไปอย่างบางคนพอความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธก็อยู่ในกองทุกข์ ความโกรธเป็นสังขารขันอยู่ในสังขารขันอยู่ในกองทุกข์หน้าที่ของเราต้องรู้ความโกรธไม่ใช่ละความโกรธนี่พวกเราภาโกรธขึ้นมานะรีพุทโธพุทโธจะให้หายโกรธหรือรีบโปรนเนอโปรนหนาะจะให้หายโกรธอย่างนี้ผิดเลยนะแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นมาบางอาจารย์ท่านบอกให้ภาวนาบริกรรมโกรนหนอะกำกับเข้าไปอันนี้เพื่อจะเตือนตัวเองให้รู้ว่าความโกรธกําลังเกิดขึ้นให้สังเกตที่ความโกรธ ไม่ได้บริกรรมให้หายโกรธนะคนลรวัตถุประสงค์กันเหมือนความโกรธเกิดขึ้นบางสำนักจะบอกโกรธเนอเป็นการเตือนตัวเองให้ดูไปที่ความโกรธให้ดูสภาวะนะให้รู้ว่าสภาวะความโกรธเกิดขึ้นถ้ามีสติรู้สภาวะของความโกรธด้วยใจที่ตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่อยากให้หายโกรธใจที่ตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงมันจะทําให้เราเห็นความจริงของความโกรธ ว่าความโกรธเกิดขึ้นมามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นี่คือตัวปัญญาให้เรามีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นมีสัมมาสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นไม่หลงเข้าไปยินดียินร้ายกับมันปัญญาจะเกิดคือจะเห็นความจริงของทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติสัมมาสมาธิปัญญาทํางานควบคู่กันไป คอรู้สึกคอยรู้ไปเรื่อยๆะอย่าใจลอยนะใจลอยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งกำหนดไว้เพ่งไว้ประคองไว้บังคับไว้นี่ศัตรูหมายเลขสองทำไมใจลอยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเพราะหลงไปเผลอไปนี่เป็นอกุศล น, นั่นเป็นอกุศลจะไปทุคติการที่คอยบังคับกดข่มควบคุมตัวเองจะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลจะไปสุคติ แต่ว่าไม่ไปนิพพานคนละอย่างกันอยากได้มรรคผลนิพพานไม่ใช่นั่งบังคับตัวเองอยากได้มรรคผลนิพพานต้องเรียนรู้กายเรียนรู้ใ จ, ข, <internacional, S 1> จของตัวเองคอยรู้ลงไปกายนี любой, ้เป็นยังไงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้ใจนี้เที่ยงไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้ <Shakes. S 2> หรือไม่ได้คอยตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูกายตามรู้ตามดูใจไปเรื่อยๆบ่อยๆ ในที่สุดความจริงมันจะต้องแจ้งขึ้นมาเองอย่างกายเราเนี้ยเรานั่งอยู่เนี่รู้สึกไหมมันไม่เที่ยงหรอกมันอยู่ที่อยู่กับที่ไม่ได้ต้องกระดุกกระดิกไปเรื่อยๆคืออยู่กับที่แล้วมันทุกข์คือเรานั่งเราไม่ได้อยู่นั่งเฉยๆนะเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกเนมีวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเนร่างกายไม่เคยคงที่เลยนะมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกร่างกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งดูไปเรื่อยๆ นั่งให้สบายๆแต่เดี๋ยวๆความทุกข์ก็บีบคั้นอีกแล้วไม่ไก่นี้เป็นทุกข์นะกายนี้บังคับมันได้ไหมสั่งมันอย่าทุกข์นะยงเป็นสุขตลอดการเลยเนี่ยสั่งมันลงไปเลยลองสั่งมันดูมันไม่ฟังหรอกสั่งมันไม่ได้เพราะงั้นเราก็พยายามรู้สึกอยู่ที่กายเราเห็นในไายนี้มีแต่ทุกข์นะเราหายใจเข้าเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์นะ กระดูกกดิก ھ, เคลื่อนไหวก็เพื่อแก้ทุกข์นี่เราไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกระดูกดิกก็เลยมองทุกไม่ออกที่เขาเลยสอนกันบอกว่าอิริยาบทปิดบังทุกขนะ์ดูใจก็ดูได้นะเหมือนกันจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้รู้จักใจลอยอยังไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหม นี่ก็เหมือนกันไปดูเขาลืมตัวเองนะคอยฝึกไปนะค่อยๆฟังฟังอาตมาเนี่ยยากนะทางเดียวก็คือต้องอึดๆหน่อยทนๆหน่อยทนฟังไปทนฟังไปจนจิตเห็นสภาวะแล้วจะเข้าใจในฉับพลันง่ายที่สุดเลยเห็นไหมพอเราหันไปดูเขานะหลายคนหันไปดูใช่ไหมขนาดที่เราไปดูเขาเราจะลืมตัวเราเอง เวลาเราฟังเราก็ลืมตัวเองเวลาเราคิดเราก็ลืมตัวเองเมื่อไหรเราลืมกายลืมใจเมื่อ น, นั้นไม่ได้ทําวิปัสสนาะเมื่อไหรเพ่งกายเพ่งใจกําลังทําสมาธอยู่ไม่ได้ทําวิปัสสนาเหมือนกันเผลอไปก็ไม่ใช่วิปัสสนาเพ่งไว้ก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนาได้แค่สงบเนั้นเพ่งไว้นั่นแหละปิดกั้นการเจริญปัญญานะให้คอยรู้สึกตัวครูเจ้าสอนง่ายๆเลยกันปฏิบัติ อย่างจะรู้กายนะท่านสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู้เหยียดในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนะกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นแค่นี้องการปฏิบัตนะิไม่ได้สอนให้บังคับนะให้เดินท่านนั้นให้นั่งท่านี้ไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนง่ายๆเลย รูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนนะมันคู่มันละเอียดมันเดี่ยวซ้ายแลขวามันอยู่ในอาการอย่างไรรู้สึกตัวไว้รู้ว่ามันอยู่ในาการอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจลอยเราก็รู้ตัวเองไม่ได้นะอย่างเวลาเราใจลอยนะบางคนก็ใจลอยรับเกาไปเรนะื่อยๆบางคนก็แลบดิน้นนะเวลาใจลอยชอบแลบลิ้นมีนะสาวๆก็มีนะแลบไปเร <loans> นะื่อยๆแลบนะแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบตัติเราจะคอยรู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราก็ค่อยรู้สึกหลักการรู้สึกง่ายนิดเดียวอย่าใจลอยไปก็อย่าเพ่งเอาไว้คอยรู้สึกอย่างที่มันเป็นกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นสังเกตไหมเรานั่งเนี้ยเรากระดุกกระดิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็กรอกตาเดี๋ยวเราก็ขยักหน้ารู้สึกไหมคุณผู้หญิงนั่นนะ่ะขยักหน้านิดๆอย่างเงี้ย เวลาไปยักหน้าถ้าเราใจลอยเราก็พยักแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราพยักหน้าแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นเลยรูปนี้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราพยักหน้านะจะเห็นว่าไอ้วัตถุไอ้ก้อนธาตตัวนี้มันเคลื่อนไหวมันกระดุกกระดิกสงสัยทราบไหมฝุนเสื้อแดงสงสัยรู้ว่าสงสัยนะไม่ใช่สงสัยเราคิดใหญ่สงสัยเรารู้ว่าสงสัยรู้ลงไปอย่างที่มันเป็นรู้สึกไปรู้ทันไปเรื่อยแสนจะ ง, ง่าย อย่าลงไปรู้สึกไหมว่าเริ่มบังคับมันแล้วอย่าเกรงนะอย่าเกรงปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามธรรมดาให้จิตใจเคลื่อนไหวไปตามธรรมดาไม่บังคับไม่ขม่มให้คอยรู้อย่างที่เขาเป็นนี่หลักของวิปัสสนานะถ้าหลักของสมถตาจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบพล่านกัน สมถะก็มีประโยชน์นะบางคนมาฟังอาตมาพูดแล้วนึกว่าอาตมาตสอนต้านไม่ให้ทําสมถะไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนางั้นใครจะมาบอกว่าสมถะไม่ควรปฏิบัตินี่ไม่ได้ขัดคําพูดพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ได้สอนให้ทําแบบไร้เดียงสาท่านบอกว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาต้องมีปัญญานะ ทำสมถะจะทำอะไรทำสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยจะทำเพื่ออะไรถ้าทำสมถะเพื่อสงบวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาจะทำอย่างไรนี่เราก็ต้องรู้นะสมถะเนี่ยมีสติะระลึกรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องไปวิปัสสนาให้รู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นอย่าเพ่งไว้อย่าเผลอไปนี่เรียกว่าการเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง เราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรทําอย่างไรต้องรู้ชัดระหว่างทําก็ไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมตัวสี่ประการสามพันย่าสี่อย่างนั่นเองเป็นเครื่องกํากับการปฏิบัติใครฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องกังวล น, นะอาตมาไม่ได้พูดให้ฟังรู้เรื่องอาตมาพูดเนี่ยหาจังหวะจะกระตุ้นพวกเราใ ห, ให้อ่านสภาวะของตัวเองออกเท่านั้นเอง งั้นฟังอาตมาไม่รู้เรื่องไม่ต้องกลุ้มใจมีหนังสือให้อ่านมีซีดีให้ฟังฟังแล้วฟังอีกนะซีดีฟังไปเรื่อยๆทนทนฟังไปมีคนจํานวนมากเอาซีดีไปฟังนะหรือเอาหนังสือไปอ่านอ่านไปอ่านมาฟังไปฟังมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาได้ของคุณฝันละไม่ตื่นละคุณเสื้อแดงเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าตื่นนะรู้สึกไหมมันตื่น เราฝึกเพื่อจะตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวแล้วพอตื่นขึ้นมาเราจะรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นงั้นอาตมาไม่ได้พูดให้ฟังรู้เรื่องหรอกจะพูดเพื่อพาพวกเราค่อยๆหัดสังเกตสภาวะนะคือกายกับใจของเราสังเกตไหมเราชอบเผลอไปลืมกายลืมใจสังเกตไหมว่าพอไม่เผลอก็นั่งเพ่งไว้นั่งบังคับไว้ใจจะสุดโตงอยู่สองข้างเรื่อยๆหนีไปคิดแล้วรู้ไหม หนีไปคิดอีกคนหนึ่งลลนะนี่ก็หนีคิดเหมือนกันคุณเสื้อแดงอะนะรู้สึกตัวไวนะ้บางคนบอกหลวงพ่อว่านี่ดุนะน่ <c oughs> ะเดี๋ยวเราหยุดพักนะโชคเราว